จงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเาคารพเธิหกถอนตนขึ้นจากลมพระพุทธภาสิทธอปมาทรรตาโหทะสจิตตมนุรักขะทะทุคาอุทธรตัตานังปังเกส น, นวกุญชโร แปลว่าท่านทั้งหลายจงยินดีในความไม่ประมาทจงตามรักษาจิตของตนจงถอนตนขึ้นจากลมเหมือนช้างตกลงในหลมแล้วถอนตนขึ้นได้ฉะนั้นจะอธิบายพอได้ใจความโดยลําดับข้อว่าจงยินดีในความไม่ประมาทความประมาท คือความปราจจจากสติความมัวเมาความวางใจในเหตุการ์ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรความไม่ประมาทคืออาการที่ตรงกันข้ามกับความประมาทนั้นกล่าวคือความเป็นผู้มีสติอยู่เสมอความไม่มัวเมาความไม่ว้ายวางใจในเหตุการ์ความมีสติอยู่เสมอคือกำหนดรู้อารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางตา หูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นธรรมมันเป็นค่าสึกหรือเป็นธรรมอันเป็นสปายะกีดกันอารมณ์มันเป็นค่าสึกต้อนรับแต่ธรรมอันเป็นสปายะเหมือนยามประตูห้ามคนที่ไม่ควรให้เข้าอนุญาตให้คนที่ควรเข้าไปตัวอย่างเช่นการเห็นอารมณ์ที่เป็นค่าศึกคืออารมณ์ที่เห็นแล้วให้เกิดความกำหนัดเพิ่มการมาราคะ ให้เกิดความขัดเคืองเพิ่มโทสะและพยาบาทส่วนอารมณ์ที่เป็นสัพเพะนั้นคืออารมณ์อันให้เกิดความสังเวชสลดใจมีอุตสาหะในการละความชั่วประพฤติความดีมีใจมั่นคงในการปฏิบัติธรรมการฟังก็เหมือนกันฟังสิ่งใดแล้วก่อให้เกิดความกำหนัดเกิดความละโมบ ความเกียดคร้านความเลี้ยงยากไม่ควรฟังสิ่งนั้นส่วนฟังสิ่งใดแล้วก่อให้เกิดความสังเวชสลดใจเป็นต้นควรฟังสิ่งนั้นสติอันเป็นไปในการกําจัดอารมณ์อันเป็นข้าศึกอุปการอารมณ์อันเป็นสัพเพ ะ, ะนี่แหละเรียกว่าความไม่ประมาทสติสัพพัทธปฏิยาสติจําต้องปรารถนาในที่ทั้งปวง คือต้องใช้สติอยู่ตลอดเวลาสติเป็นอุปการะธรรมอันสำคัญยิ่งในกิจทั้งปวงส่วนความไม่เมาคือไม่เมาตนเมากายเมารักและเมาเหล้าเมาตนคือความหลงไหลในตนสำคัญตนบัเลิศกว่าผู้อื่นเห็นคนอื่นไม่มีความดีความสามารถเท่าตน เป็นทางยกตนข่มผู้อื่นหาความสุขจากการกดขี่ดูหมิ่นผู้อื่นลืมนึกถึงแม้ความตายลืมไปว่าตนก็ต้องตายเหมือนผู้อื่นความเมากายคือเมาว่ากายนี้สวยงามน่ารักน่าปรารถนามองไม่เห็นความปฏิกูลของกายอันหลังออกมาให้เห็นอยู่ทุกวัน ลืมนึกถึงความแก่อันค่อยๆแผ่อานาจครอบงำกายของตนอยู่ทุกส่วนเมารักคือเมาคนที่รักหรือสิ่งที่รักหลงไหลติดอยู่ในสิ่งนั้นมองไม่เห็นความปกคร่องของคนที่รักหรือสิ่งที่รักเช่นบุตรภรยาบางท่านบัวเมาบุตรภรรยาจนลืมท่านผู้มีอุปการะคุณเช่นมารดาบิดาเป็นต้นเมาเล่า คนเมาเล่าลืมหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตอาจทำความชั่วได้หลายอย่างอาจพูดได้ในสิ่งที่เมื่อไม่เมาไม่กล้าพูดหรือพูดไม่ได้ทำให้ใจกล้าแม้ในสิ่งอันไม่ควรกล้าเปิดทางให้ความประมาทต่างๆเดินเข้ามาครอบครองความรู้สึกผิดชอบแต่ระยะเวลามันสั้นกว่าความเมาตนเมากายและเมารักเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่า อันเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจําทุกค่ำคืนอันหนึ่งท่านกล่าวสรุปความเมาทั้งสี่อย่างนี้ไว้ว่าเมาตนลืมตายเมากายลืมแก่เมาเมียลืมแม่เมาเหล้าลืมทําความวางใจในเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุให้พลาดพลังและต้องเสียใจในภายหลังได้ถ้าเราช่างสังเกต ชีวิตของเราน่าจะเห็นว่าความทุกข์ความผิดพลาดส่วนใหญ่นั้นมาจากความประมาทในเหตุการณ์บางทีความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวใช้เวลาในการทำความผิดเพียง5นาทีหรือ10นาทีเท่านั้นแต่ต้องเสียใจเปนานนับ1ิปี20ปีบางอย่างต้องแก้ไขไปทั้งชีวิตก็ไม่อาจให้เบาใจได้หรือให้คืนสู่สภาพเดิมได้ เพราะฉะนั้นท่านผู้เห็นไัยในความประมาทจึงควรระมัดระวังการกระทำคำพูดหรือแม้ความคิดของตนให้อยู่ในร่องรอยอันดีงามให้ดำเนินอยู่ในธรรมธรรมจริยาส ม, รรมจริยาอยู่เสมอเห็นการกระทำความผิดแม้เพียงเล็กน้อยเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะมันตามแผดเผาในภายหลังไม่ควรวางใจว่าเล็กน้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ของมากมาจากน้อยเสมอน้ำพึ่งหยดเดียวตกลงกลางเมืองทำให้คนตีกันทั้งเมืองได้ความยินดีพอใจในความไม่ประมาทจึงเป็นคุณอันสำคัญยิ่งสำหรับชีวิตในการดำเนินการหลีกหลบอันตรายและนำชีวิตไปสู่ความสวัสดีข้อว่าการรักษาจิตของตนการรักษาจิตให้มั่นคงในอารมณ์ตั้งหลายมีรูปเป็นต้น ไม่ให้หวันไหวไปตามอารมณ์นั้นๆเหมือนผูเขาศิลาล้วนแท่งทึบไม่หวั่นไหวเพราะแรงลมอันมาจากทิศ ต, ตั้งสี่ข้อว่าถอนตนขึ้นจากลมลมในที่นี้ท่านหมายถึงกิเลส ต, ต่างๆมีการเป็นต้นอันเป็นลมลึกเมื่อบุคคลตกลงไปแล้วยากที่จะถอนได้ต้องกระเสือกกระสนไปจนตายและติดตามไปอีกหลายภพหลายชาติ จนกว่าจะประหารมันได้โดยสิ้นเชิงสมดังที่ท่านกล่าวเป็นกรอนไว้ว่าก้นเหวลึกอย่าไปนึกว่าเหวตื้นปากเหวลื่นอย่าขนองลองไปผลักตกเหวหินปีนป่ายไม่ยากนักตกเหวรักต้องกระเสือกกระสนไปจนตายลมคือการทิฏฐิและอวิชชาสัตว์ทั้งหลายในพบตกอยู่ในลมทั้งสามนี้ยากที่จะถอนได้ ใครถอนได้ก็ดำรงตนอยู่บนบกบนพื้นที่อันสบายคือนิพพานพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ถอนตนขึ้นจากหลม่มแล้วดำรงอยู่บนพื้นที่อันสบายคือนิพพานนั้นเรื่องนี้พระาศาสดาทรงสแสดงเพราะทรงปราลบช้างชื่อปาเวรกะขณะที่พระองค์ประทับอยู่ณนเะชวตวันวิหารมีเรื่องย่อดังนี้ ช้างเวร ก, กะเป็นช้างศึกของพระเจ้าเปรสันทิโกศนเมื่อยังหนุ่มมันมีกําลังมากต่อมาเมื่อแก่ลงกําลังก็ทดถอยวันหนึ่งมันก้าวลงไปสู่สะใหญ่ติดลมขึ้นไม่ได้ประชาชนเห็นแล้วพูดกันต่ อ, ตอไปว่าช้างแม้เห็นป่านนี้ก็ยังทุพลภาพได้พระเจ้าเปรสันทิโกสนทรงสดับดังนั้นจึงรับสั่งให้นายหัตถาจานคือคนฝึกช้าง ไปทาให้ช้างขึ้นจากลมให้จนได้นายหัตถาจารย์แสดงการรบขึ้นในที่ใกล้ๆให้ตีกรองรบรัวขึ้นช้างเชือกนั้นเคยศึกได้ยินเสียงกรองรบจึงรวบรวมกาลังทั้งหมดของตนที่มียกตนขึ้นจากลมได้เพราะมานะอันแรงของตนดำรงตนอยู่บนบกได้ภิกษุทั้งหลายได้เห็นเหตุการณ์นั้นนำไปกราบทูลพระบรมาสดา พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายช้างนั้นถอนตนขึ้นจากล่มคือเปลือกตมธรรมดาส่วนเธอทั้งหลายแล่นลงไปแล้วในหล่มคือกิเลสเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงเริ่มตั้งความเพียรถอนตนขึ้นจากล่มคือกิเลสเถิดดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอัปปมาทัราตาโหถะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบ เทศนาภิกษุเหล่านั้นดำรงอยู่ในอรหัตผลก็เกี่ยวกับความไม่ประมาทความไม่ประมาทนี่ก็เป็นธรรมทันสมัยอยู่เสมอทุกยุคทุกสมัยนีย่กล่าวกันในยุคใดก็ยังมีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิตอยู่ตราบนั้นทุกการทุกเมื่อเจ็ดเที่ยวไปคนเดียวดีกว่า พระพุทธภาสิตสัะเจลเพทะนิปกังสหายยังสัตถิงจรังสาธุวิหาริถีรังอภิภุยะสภานิปริศยานิเจเรยยะเตนัตตรรมโนสติมาโนเจลเพทะนิปกันสหายยังสัตถิงจรังสาธุวิหาริถีรังราชาวะรัตถังวิชิตังปหายะ เอโกเจเรมาตังขรันเยวนาโคเอกสัจริตังเสยโยนติพาเลสหายตาเอกเจเรนัจจะปาปาณิกริยาอัโปโสุโกมาตังขรันเยวนาโคแปลว่าถ้าบุคคลพึงได้สหายที่มีปัญญารักษาตนมีธรรมเครื่องอยู่อันดีเป็นปราช ไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกันไซเขาพึงยินดีพอใจครอบงมอันตรายทั้งปวงมีสติเที่ยวไปกับสหายเช่นนั้นถ้าไม่ได้บุคคลเช่นนั้นเป็นสหายก็พึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนพระราชาผู้ทรงละแว่นแคว้นที่ชนะเด็ดขาดแล้วไปหรือเหมือนช้างมาตังคะละโขงแล้วเที่ยวไปในป่าแต่เดียวดายการเที่ยวไปคนเดียวนั้นประเสริฐกว่า เพราะคุณธรรมเครื่องเป็นสหายไม่มีในคนผ่านเพราะฉะนั้นจึงควรเที่ยวไปคนเดียวเหมือนช้างมาตังคะที่มีความขวนขวายน้อยเที่ยวไปในป่าฉะนั้นอธิบายว่าการได้มิตร ด, ดีเป็นลาบอันประเสริฐอย่างหนึ่งของมนุษย์บางคนเกิดมาชาติหนึ่งหาเพื่อนที่ดีแม่ได้เลยแม้แต่คนเดียว แม้ในหมู่พี่น้องของตนก็ไม่เป็นมิตรที่ดีของกันและกันคอยจะอิจฉาริษยากันกีดกันความก้าวหน้าของกันและกันไม่อยากให้พี่น้องคนใดมีเกียรติยศหรือมีทรัพย์มั่นคงเกินหน้าตนไปไม่มีการสงเคราะห์ช่วยเหลือกันตัวใครตัวมันเพราะเหตุนี้คนที่ได้มิตร ด, ดีมิตรที่มีปัญญามีธรรมในใจไม่ประทุษร้ายมิตรเป็นปราด จึงเป็นลาบอันประเสริฐอย่างหนึ่งในชีวิตเพราะน้อยคนจะมีได้ถ้าไม่ได้มิตรอย่างนี้ท่านว่าเที่ยวไปคนเดียวดีกว่าและไม่ควรทำบาปที่ให้เที่ยวไปคนเดียวดีกว่านั้นเพราะคุณเครื่องเป็นสหายไม่มีในคนพานคุณธรรมเครื่องเป็นสหายนั้นท่านอธิบายว่าได้แก่ธรรมเหล่านี้คือศีลกถาวัตถุสิบหลวงเลบพูดเรื่องที่ควรพูดสิบอย่าง ทุดงข้คุณสิบสามวิปาาัสนาญาณมรสี 4, ผลสี่วิชาสามอภิญยาหกและนิพพานที่กล่าวนี้กำหนดเอาคุณอย่างสูงส่วนคุณอย่างธรรมดาก็คือคุณธรรมของมิตรเช่นมีอุปการะร่วมสุขร่วมทุกขแนรประโยชน์มีความรักใคร่เมื่อไม่ได้มิตรดังใจก็พึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนช้างมาตัางคะ และพระราชาพระองค์หนึ่งที่ทรงสละราชสมบัติออกผนวดได้ยินว่าในอดีตการมีช้างเชือกหนึ่งชื่อมาตังคะพิจารณาความเป็นอยู่ของตนอยู่เนืองๆ เ, เห็นว่าเราแลอยู่นัวเนียด้วยพวกช้างพลายช้างพังช้างสะเทินและลูกช้างทั้งหลายเราต้องกินหญ้าที่มีปลายอันขาดแล้วเพราะช้างอื่นเล็ม พวกช้างทั้งหลายแย่งกินกิ่งไม้ที่เราหักลงแล้วเราต้องดื่มน้ำขุนเมื่อเราลงสู่ท่าน้ำและก้าวขึ้นจากท่าน้ำเราช้างพังเดินเสียดสีกายของเราไปด้วยประการชนนี้เราอึดอัดรำคาญอยู่ด้วยการครุกครีด้วยหมู่คณะสมควรแท้ที่เราจะหลีกออกจากโขงอยู่แต่ผู้เดียวดังนี้แล้วหลีกออกจากโขงเที่ยวไปตัวเดียวในอริยาบททั้งปวงฉั้นใด บุคคลที่ไม่ได้คนดีเป็นมิตรก็พึงเที่ยวไปผู้เดียวฉันนั้นอันหนึ่งได้ยินว่าในอดีตการพระราชาองค์หนึ่งทรงดำริว่าความเป็นพระราชานี้เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนักประโยชน์อะไรของเราด้วยราชสมบัติดังนี้แล้วทรงสละราชสมบัติสเสด็จเข้าไปสู่ป่าใหญ่ผนวดเป็นดาบทประทับพระองค์เดียวในอริยาบททั้ง4ี่ ท่านพนานาไว้ว่าถ้าหากว่าพื้นแผ่นดินนี้จะพึงว่างจากมนุษย์ที่ดีแล้วใซก็พึงอยู่คนเดียวไม่พึงสมาคมกับคนผานการสมาคมด้วยสัตบุรุษเพียงครั้งเดียวช่วยคุ้มครองรักษาผู้สมาคมได้อำนวยประโยชน์แก่ผู้สมาคมอย่างสูงส่วนการสมาคมด้วยอสัตบุรุษแม้บางครั้งก็ไม่มี ประโยชน์อะไรเลยรักษาคุ้มครองตนไม่ได้ดังนั้นบุคคลพึงคบสัตบุรุษคือคนดีพึงสนิทสนมกับสัตบุรุษเมื่อรู้ธรรมของสัตบุรุษดีแล้วมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมสัตบุรุษกับสัตบุรุษปราศัยกันเข้าใจกันดีฟ้าและแผ่นดินว่าห่างไกลกันฝั่งสมุทรทั้งสองห่างไกลกันแต่ธรรมของสัตบุรุษและอสัตบุรุษ ยังห่างไกลกันยิ่งกว่านั้นคนที่เราไม่ควรทําลายไมตรีนั้นมีอยู่สองพวกคือบุคคลผู้สอนธรรมแก่เราหนึ่งและบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษบรรเทาความสงสัยของเราได้เมื่อมีสิ่งติดขัดหนึ่งทั้งสองประการอาจอยู่ในคนคนเดียวกันก็ได้เรื่องนี้พระาศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่นะป่าชื่อป่าลิไลยกะทรงปราลภิกษุ เป็นอันมากมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุมากรูปเรื่องประกอบแห่งพระคาถานี้ได้กล่าวไว้แล้วในยะมะกะวัควรรณน า, นาคือทางแห่งความดีเล่มหนึ่งหน้าเ5็ดสิบห้าความย่อในที่นี้ว่าเมื่อพระศ า, ศาสดาเสด็จไปประทับอยู่ณนะป่าชื่อปาลิลายะกะเพราะการแตกกันแห่งภิกษุชาวโกสัมพีแล้ว ภิกษุห้ารูปจากทิศ ต, ต่างๆออกพรรษาแล้วเดินทางมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคขอร้องให้พระอานุ์พาไปเฝ้าเพื่อฟังธรรมกถาจากสำนักพระองค์พระอานนุ์จึงพาภิกษุเหล่านั้นไปเฝ้าณนะป่าปาลิไลยกะกภิกษุเหล่านั้นทูลว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระพุทธเจ้าผู้สุคุมาร คือละเอียดอ่อนยิ่งนักเป็นกษัตริยุขุมารพระองค์ผู้เดียวประทับยืนและประทับนั่งตลอดพรรษาสามเดือนทรงกระทำสิ่งที่ทำได้โดยยากผู้ปฏิบัติบำรุงพระองค์ผู้ถวายของมีน้ำบ้วนพระโอษฐ์เป็นต้นเห็นจะไม่มีพระาศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกิจทุกอย่างช้างปาลาดิไลยกะทาแกเราแล้วอันที่จริงการได้สหายเห็นปานนี้เป็นการดี สมควรอยู่ร่วมด้วยโดยแท้แต่ถ้าไม่ได้สหายที่ดีการเที่ยวไปผู้เดียวประเสริฐกว่าดังนี้แล้วได้ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นโดยในยะถ้าบุคคลได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเป็นอาทิมีในยะดังพรนนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุทั้งห้าร้อยลูกดำรงอยู่ในพระอรหัตผลภาสิตนี้ก็ เป็นความเด่นที่กินใจไม่เฉพาะแต่ชาวไทยชาวต่างประเทศนะก็มีความพอใจในธรรมบทหัวขอ้อนี้เพราะการมีมิดเลวเพื่อนเลวนะมันไม่ประเสริฐถ้าจะมีมิร ไม่ดีมิตรเลวท่านว่าไปคนเดียวยังดีกว่าเนี่ยไปคนเดียวและไม่ทําบาปเนี่ยมีมิตรเลวมีเป็นร้อยเป็นพั น, พนก็ไม่ประเสริฐเนี่ยสู้มีมิตรที่ดีคนเดียวนคนเดียวเมพบครั้งเดียวก็ยังประเสริฐกว่าเนี่ยมิตรที่ดีนะอย่างหลวงพ่อชาท่านไปพบหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านไ ม, ไม่ได้พบนานเลยแค่สองสามวันเองเนี่ย แค่นั้นท่านก็ได้สิ่งที่ดีจากหลวงปู่มั่นมาเนี่ยจนมาะตั้งขึ้นเป็นข้อวัดปฏิบัตินำคุณบุตรลูกหลานปฏิบัตินี่จนมีลูกศิษย์ลูกหาขยายแผ่ไพศาลออกมาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนี่นั่นก็คือการได้มิตร ด, ดีสหายดีเนี่ก็เลยเป็นมงคลทั้งปัจจุบันและอนาคต ตั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นถ้าได้มิดไม่ดีไปคนเดียวเหมือนช้างมาตังคะดังที่ท่านยกตัวอย่างช้างแก่ก็ธรรมดาไม่ทันเขามันช้าจะกินยอดไม้อ่อนๆนพวกกําลังแข็งแรงพวกหนุ่มๆมันก็ไปแย่งกินมดนช้างแก่หักกิ่งไม้ลงมาว่าจะกินเขาก็มาแย่งกินก่อนมด จะลงไปน้ำไปกินน้ำใสๆหน่อยเขาก็วิ่งนำหน้าไปก่อนได้กินน้ำขุๆนๆเนี่ยจะลงจะขึ้นเขาก็เบียดเสียดสีจะล้มโซสัดโซเซเนะี่ยก็เลยลำคาญเนะี่ยมันลำบากชีวิตเนะี่ยบอกว่าถ้าอยู่กับพานพวกนี้ลำบากห น, ะนีไปตัวเดียวดีกว่านะได้เป็นเทศให้ประเด็วประทาพู้ตจ้าด้วยนะในป่าลิไลยกะเห็นไหม ก็คือเอาชอช้างนี่แหละที่พระองค์ทรงไปหลีกเล่นในสมัยที่เมืองโกสัมพีภิกษุทะเลาะกันแตกกันเนี่ยพระองค์ก็เลยปรีกวิเวกไปอยู่ปา่าลิไลยะกะอย่างภิกษุถามว่าเออเป็นสิ่งที่ทําได้ยากเพราะพระองค์เป็นสุคุมาลชาตินีมีความละเอียดอ่อนนะคือพูดง่ายๆก็คือเคยสะดวกสบายเป็นรูปพระมหากษัตริย์ เดชลำลงตนอยู่ด้วยความสะดวกสบายหลายสิ่งหลายอย่างนี่ทีนี้เมื่อไม่มีผู้อุปธรรมอุปถากนี้พระองค์อยู่ลำพังนี้เป็นสิ่งที่ยากนะสงสัย จ, จะไม่มีใครช่วยดูแลอุปธรรมประทาคเล ย, เยปรากฏว่าพระองค์ก็แสดงมิตรที่ดีนั่นก็คือช้างมาตัาง้งคะนั่นเองภูมิภาคทุกอย่างที่อุปถากธรรมช้างตัวนี้เป็นผู้รับหน้าที่ทั้งหมด พระตักถาท่านกราบพิสดารไปถึงขณะว่าต้มน้ําร้อนถวายพระพุทธเจ้าด้วยเนะี่ยไฟไม่มีมันทํำยังไงพระตักถาอาจารย์ท่านบอกว่ามันใช้อยากเยื่อเอามากองไว้แล้วก็ใช้หินเอามือนั้นเอาหินต่อยใส่กับก้อนหินจนเป็นเปลวไฟขึ้นมาเนะีเปลวไฟขึ้นมาเนะ่ยแล้วก็เผาก้อนหินให้มันร้อนไม่มีหม้อต้มเนะี พอไฟมันไหม้ก้อนหินแล้วก็พักก้อนหินลงน้ำน้ำก็อุ่นเป็นน้ำอุ่นน้ำร้อนก <spark> ้อนนี้มนพระพุทธองคนะ์สงสนนนนเนี่ยมาสงสารนั่นนี่เราพูดถึงรายละเอียดของช้างเนะี่ยแล้วก็การเก็บกวาดปัดกวาดสถานที่ต่างๆนะก็ช้างเป็นผู้ช่วยดูช่วยทำฟังดูก็มันเกินจริงแต่เาก็ฝึกได้จริงๆนะช้างมันทำได้จริงๆ เดี๋ยวนี้มันมีสิ่งแปลกๆให้เห็นในสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่มันก็เป็นไปแล้วมีเยอะแยะเลยลอำนาจของพุท ธ, ธานุภาพนี่ก็ยิ่งมีความประจรรักษ์เหลือวิสัยที่ธรรมดาอย่างเราจะเข้าใจได้แปดเมื่อความต้องการเกิดขึ้นพระพุทธภาษิต อธมหิชาติหิสุขาสหายาตุทีสุขายาอิตรีตะเรนะปุญญสุขังชีวิตสังขยัมหิสัพพัสทะทุคัสสะสุขังปะหานังสุขามตเตยยตาโลเกอะโถเปตเตยยตา ส, าสุขาสุขาสามัญยตาโลเกอะโถพรห ม, มัญยาตาสุขา สุขขังยาวะชราสีหลังสุขาสทตาปฏิติตาสุโ ข, ขปัญญาปฏิลาโภปาปาานังอาการานังสุขขังแปลว่าความต้องการเกิดขึ้นสหายทั้งหลายช่วยเหลือให้เกิดความสุขความพอใจตามมีตามได้เป็นสุขบุญนำสุขมาให้เมื่อคราวสิ้นชีวิตการละความทุกข์ทั้งปวงเสียได้เป็นสุข การเกื้อกูลแก่มารดาบิดาสมณะและพรมวงเล็บคือท่านผู้สูงส่งด้วยคุณธรรมเป็นสุขในโลกศีลนำความสุขมาให้จนชราศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วนำสุขมาให้การได้ปัญญาเป็นความสุขการไม่ทำบาปเป็นความสุขอธิบายว่าหนึ่ง ทุกคนมีความต้องการและมีความจำเป็นเกิดขึ้นในชีวิตบางอย่างพอทำได้โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นแต่บางอย่างทำไม่ได้โดยลำพังต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นบ้างในสมัยใดที่มีความจำเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นสหายผู้สามารถช่วยเหลือให้กิจการลดล่วงไปได้ด้วยดีย่อมนำความสุขมาให้ ในสังคมชนบทสมัยโบราณหรือแม้สมัยเมื่อประมาณห0ิปีมานี้การปลูกเรือนไม่ต้องเสียค่าจ้างใครจะปลูกเรือนเพื่อนบ้านก็มาช่วยปลูกการทำนาถ้าเก็บเกี่ยวไม่ทันก็ใช้วิธีลงแขกคือบอกเพื่อนบ้านขอให้ช่วยกันเก็บเกี่ยวไปกันทั้งหมู่บ้านสองสามวันเสร็จนำความสุขความชื่นใจมาให้ เป็นบ่อเกิดแห่งความสามาคัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันมีความเห็นใจกันสําหรับบรรพชิตเมื่อมีกิจเช่นการทําจีวรการสร้างกุติวิหารเป็นต้นเพื่อนพรหมจารีมาช่วยกันทําสําเร็จลุล่วงไปได้โดยเร็วนําความสุขมาให้การช่วยเหลือกันนอกจากการงานจะสําเร็จตามความต้องการแล้วยังเป็นคุณธรรมเครื่องปลุกใจกันอีกด้วย เข้าในสังขาวัตถุข้ออัตจริยาคือประพฤติประโยชน์ต่อกัน 2. ความสันโดษนำความสุขมาให้สันโดษคือความพอใจของอันเป็นของตนหนึ่งพอใจตามมีตามได้หนึ่งพอใจในสิ่งอันได้มาโดยชอบทำหนึ่งบัรพชิตผู้ไม่สันโดษ ย, ย่อมกระทําอเนสนากรรม วงเล็บคือการสแสวงหาปัจจัยสี่โดยทางอันไม่ควรแก่สมณะหลอกลวงประชาชนให้หลงผิดมีประการต่างๆคฤหัตผู้ไม่สันโดษย่อมประกอบกรรมทุจริตมีการปล้นทรัพย์ยักยอกหลอกลวงสมบัติผู้อื่นทำชู้สู่สาวสู่ชายเป็นต้นผลของการทุจริตเช่นนั้นคือความทุกข์อันยาวนานผู้สันโดษย่อมทำแต่กรรมอันสุจริต ผลของสุจริตเช่นนั้นอำนวยสุขให้ทั้งปัจจุบันและอนาคตความสันโดษจึงนำความสุขมาให้ 3. ส, สมัยสิ้นชีวิตบุญนำความสุขมาให้บุญนั้นเป็นชื่อของความสุขวงเล็บสุขขัดเสตังอธิวะจนงยะทิถังปุญนยังความสุขชนิดนี้หล่อเลี้ยงใจอยู่เสมอ เป็นสุขทุกครั้งเมื่อระลึกถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยเมื่อใกล้สิ้นชีวิตใจต้องการที่พึ่งที่พึ่งของใจในขณะนั้นไม่มีอะไรนอกจากบุญคนทำบุญไว้เท่านั้นใจจึงจะมีที่พึ่งไม่ว้าเวมีความสุขไม่กลัวตายมองเห็นคติอันดีงามของตนบุญจึงชื่อว่านำความสุขมาให้ในสมัยสิ้นชีวิต 4. การละความทุกข์ทั้งปวงเสียได้นำความสุขมาให้หมายถึงการละทุกข์ในวัตฏะทั้งปวงกล่าวคืออรหัตผล 5. การเกื้อกูลมารดาบิดานำความสุขมาให้มารดาบิดาเป็นผู้มีประการะมากต่อบุตรทิดาผู้เป็นบุตรทิดาจึงควรปฏิบัติชอบต่อท่านโดยประการทั้งปวงการปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดานั้นเป็นบุญมาก มารดาบิดาย่อมพอใจยกทรัพย์มรดกให้แก่บุตรที่ดาที่ปฏิบัติชอบต่อท่านอันหนึ่งคนทั้งหลายย่อมสรรเสริญเมื่อร่างกายแตกทําลายย่อมบันเทิงในสวรรค์การเกื้อกูลบรรดาบิดาจึงชื่อว่านําความสุขมาให้ 6. การเกื้อกูลแก่สมณะและพราหมณ์นําความสุขมาให้การปฏิบัติชอบในบรรพชิต หรือในนักพรตทั้งหลายชื่อว่าการเกื้อกูลแก่สมณะการปฏิบัติชอบในพระพุทธเจ้าพระปัจเจกับพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ลอยบาปได้แล้วชื่อว่าเกื้อกูลแก่พรหมวงเล็บพรหมบัญญตาเพราะอัดว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีคุณธรรมสูงย่อมนำความสุขมาให้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ทั้งเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่ง 7. ศีลนําความสุขมาให้จนชาราความสุขบางอย่างมีเฉพาะการคือในเวลาที่ยังหนุ่มสาวอยู่เท่านั้นแต่ความสุขอันเกิดจากศินนั้นเป็นความสุขที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตยิ่งแก่ยิ่งมีความสุขอันหนึ่งความสุขอันเกิดจากเครื่องประดับเช่นเสื้อผ้าแพรพันแก้วแหวนเครื่องอลังการก็ให้ความสุข ในบางวัยบางอย่างเหมาะแก่คนบางวัยแต่ศีลเหมาะแก่คนทุกวัยก่อให้เกิดความสุขใจตลอดเวลาที่รักษา 8. ศรัทธาตั้งมั่นแล้วนําความสุขมาให้ศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งอันควรเชื่อเชื่อกรรมผลของกรรมมรดกแห่งกรรมและเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เมื่อเชื่อแล้วย่อมไม่วันไหวในสิ่งใดอะไรเกิดขึ้นแก่ชีวิตก็ปรงตกว่านี่คือกรรมนี่คือผลแห่งกรรมนี่คือมรดกแห่งกรรมที่เราจะต้องยอมรับหลีกเลี่ยงไม่ได้มีใจแช่มชื่นอยู่เสมอปรงใจเชื่อเรื่องกรรมเช่อย่างเดียวมีความสุขในชีวิตขึ้นอีกมากมายและเป็นทางให้ไม่กลัวการทำความชั่วด้วยเพราะกลัวผลกรรมศรัทธาจึงชื่อว่านาความสุขมาให้ 9. การได้ปัญญานำความสุขมาให้สุขโขปัญญาปฏิลาโพ ป, ปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างคือโลกิยะปัญญาหรือโลกุตระปัญญาผู้ได้โลกิยะปัญญาย่อมสามารถอยู่เป็นสุขในโลกเพราะใช้โลกิยะปัญญานั้นหาทรัพตั้งหลักฐานเว้นสิ่งชั่วทำสิ่งดีสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์เหล่านี้ล้วนเป็นเหตุให้เกิดสุขทั้งสิ้น ผู้ได้โล ก, กุตระปัญญาใจอยู่ในธรรมเอิบอิ่มอยู่ในธรรมไม่มีกิเลสภาระรบกวนให้หนักใจย่อมมีความสุขความเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเป็นความสุขอย่างยิ่งสิการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นสุขคือเว้นบาปโดยเด็ดขาดด้วยเสยตุขาดวิรัตคือละบาปด้วยอริยมรรคไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก เมื่อบาปอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ไม่เกิดขึ้นความไม่เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความสุขการไม่ทำบาปนำความสุขมาให้ด้วยประการชนีเรื่องนี้พระาศาสดา ท, ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่นะกุดีในปา่าใกล้หิมะพานทรงปรารบมารมีเรื่องย่อดังต่อไป น, นี้ได้ยินว่าในการนั้นพระราชาทรงครองราชโดยไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรม เบียดเบียนราษฎรให้เดือดร้อนพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นมนุษย์ทั้งหลายถูกเบียดเบียนอยู่เช่นนั้นทรงดรําริด้วยพระมหากรุณาว่าเราอาจหรือไม่หนอเพื่อครองราชโดยธรรมไม่เบียดเบียนเองไม่ให้ผู้อื่นเบียดเบียนไม่ชนะเองไม่ให้ผู้อื่นชนะไม่เศร้าโศกเองไม่ให้ผู้อื่นเศร้าโศกมานผู้มีบาปทราบปริวิตก อันนั้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วดำริว่าพระสมณโคโดมดำริว่าอาจหรือไม่หนอเพื่อครองราชพระสมณโคโดมใครจะครองราชสมบัติก็ธรรมดาว่าราชสมบัติเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อพระสมณโคโดมครองราชอยู่เราจะได้โอกาสเอาเถอะเราควรไปหาพระสมณโคโดมทำให้พระองค์มีอุตสาหะในการครองราชดังนี้แล้วเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลว่า ข้าแต่พระพุทธเจ้าขอพระองค์ทรงคลองราชโดยถันเถิดไม่เบียดเบียนเองไม่ให้ผู้อื่นเบียดเบียนมานท่านเห็นอย่างไรจึงกล่าวกับเราเช่นนี้พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงมีอิทธิบาทสว่งเล็บคุณเครื่องให้สําเร็จความประสงค์ครบบริบูรณ์ทรงอบรมมาดีแล้วหากทรงหวังเพียงแต่น้อมนึกเท่านั้นว่า ขอภูเขาหลวงนี้จงเป็นทองภูเขานั้นก็จะเป็นทองทันทีแม้ข้าพระองค์จะช่วยเหลือพระองค์ทางทรัพย์สมบัติบ้างเพื่อการคลองราชของพระองค์พระาศาสดาทรงให้มารสังเวชสลดใจด้วยพระวาจาว่าภูเขาทองคำแม้สักสองภูเขาก็ยังไม่พอแก่ความต้องการของคนคนเดียวบุคคลทราบดังนี้แล้วพึงประพฤติอยู่ในสุจริต วงเล็บไม่พึงทุจริตในการหาทรัพย์บุคคลรู้แล้วเห็นแล้วว่าความทุกข์มีมาจากกามทำไมจึงน้อมไปในกามอีกเล่าเขารู้จักอุปธิคือกิเลสว่าเป็นธรรมเครื่องข้องอยู่ในโลกแล้วพึงศึกษาปฏิบัติเพื่อนำอุปธินั้นออกเสียพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่ามานผู้ลามกคำของท่านอย่างหนึ่งของเราอีกอย่างหนึ่งไม่ตรงกัน เพราะฉะนั้นการปรึกษากับท่านย่อมไม่มีดังนี้แล้วตัดพระขาถาว่าอัธถหิชาตมิสุขขาสหายาเป็นอาทิดังมีในยะดังพรรณน า, นามาแล้วแต่ต้นวัคที่ิชื่อนาคะปะคะวันนานารวม8เรื่องจบเพียงเท่านี้สาหรับ ท่านผู้อ่านตั้งแต่วักนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจําเป็นต้องเขียนอย่างย่อมากกว่าวักก่อนๆเพราะถ้าเขียนอย่างวักก่อนๆหนังสือเล่มนี้จะหนามากเกินไปไม่เข้าชุดกับเล่ม12ึสจะแยกเป็นเล่ม5ก็จะบางเกินไปจึงคงไว้ให้ได้สี่เล่มในขนาดไรี่เลี่ยกันผู้เขียน